เอาวาข้อต่อไปวัาข้อที่3าล่วงปัญญาชื่อโทนาพระพุทธองค์ทรงตัดเป็นพุทธภาษิตว่าอายะสาวะมลังสมุทฐายะตัทุธายะ ต, ะยะตะเมวะขาทติเอวังอติโทนะจารินังสาณิกรรมมานินยันติทุกขติงแปลว่าสนิมเหล็กตั้งขึ้นจากเหล็ก ย่อมกัดเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมของตนย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนะไปสู่ทุกขติฉันนั้นปัญญาเครื่องสาราญจิตปัญญาเครื่องพิจารณาปัจจัยสี่ท่านเรียกว่าโทนาบุคคลผู้ล่วงปัญญาชนิดนี้เสียแล้วย่อมสร้างกรรมชั่วได้น า, นานาประการกรรมชั่วที่เขาสร้างขึ้นนั้นแหละย่อมชักนาเขาไปสู่ทุกขติ จิตนี้โดยสภาพมันเองบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นประพัดสอนคือมีลัศมีทั่วแต่เศร้ามองไปเพราะกิเลสที่จรมาเป็นคราวๆตัวอย่างเช่นความโกรธจรมาความริษยาจรมาความโลภจรมาทำให้จิตนั้นเศร้ามองไปเราไม่ได้โกรธหรือโลภหรือริษยาอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอยู่ตลอดเวลาเพียงวันเดียวหรือสองวันคนก็ต้อง ตายหรือเสียจริตเพราะมันจรมาเป็นครั้งเป็นคราวแล้วจากไปคนดำรงอยู่ในอารมณ์ปกติเป็นส่วนใหญ่จึงมีชีวิตอยู่ได้อย่างที่เห็นอยู่นี้ปัญญาเครื่องรู้ว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองมันเกิดขึ้นอย่างไรและจะชาระมันได้อย่างไรนี่แหละเรียกว่าปัญญาเครื่องชาระจิตส่วนปัญญาเกี่ยวกับปัจจัย4ี่คือรู้เท่าทันในการบริโภคปัจจัยสี่ ว่าไม่ได้บริโภคเพื่อเล่นเพื่อเมาแต่เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปได้เพื่อสังสมคุณงามความดีนี้เรียกว่าปัญญาเครื่องพิจารณาปัจจัยสภิกษุในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้พิจารณาปัจจัยสคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ก่อนบริโภคหรือกําลังบริโภคหรือบริโภคเสร็จแล้วเวลาใดเวลาหนึ่งถ้าทําได้ทั้งสามเวลายิ่งดีถ้าไม่ทําเลยท่านปรับเป็นอบัตทุกกฏสําหรับอาหารทุกๆคํากลืนสําหรับเครื่องนุ่งหม่มทุกๆครั้งที่ใช้เสนาสะนะและยารักษาโรคก็เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประโยชน์สําหรับพระเท่านั้นเป็นประโยชน์มากแม้สําหรับฆราวาสเหมือนกัน คฤหัสถ์ส่วนมากไม่ค่อยรู้จุดประสงค์อันแท้จริงในการบริโภคใช้สอยปัจจัย่เขาบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อเมาเพื่อสนุกสนานเพื่ออริสอร่อยเขาใช้เครื่องนุ่งหม่มเพื่อความสวยงามเพื่ออวดตนเขาใช้ที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะเชิดชูตนว่ามั่งมีเหนือคนอื่นเพื่อเลี้ยงอาหางการและมะมังการให้เจริญเติบโต คาว่าอาหังการคืออาการเชิดชูตนว่าเหนือผู้อื่นหรืออาการแห่งปมเขื่องความยึดถือตนว่าเป็นจุดสําคัญที่สุดมะมังการคือการที่เข้าไปยึดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของตนเป็นของเราอาการแห่งตัวกูเรียกว่าอาหังการของกูเรียกว่ามะมังการ ให้อาหางการมั่มังการให้เจริญเติบโตให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ส่วนยาแก้โรคนั้นส่วนมากบริโภคตรงตามวัตถุประสงค์ชาวบ้านทั่วไปลำบากเหน็ดเหนื่อยอยู่ในเรื่องหาของกินของใช้ลำบากอยู่กับการประกวดประชันกันในเรื่องของกินของใช้ว่าใครจะเหนือกว่าใครใครจะแน่กว่าใครใครจะมีของฟุ่มเฟือยได้มากกว่าใคร ความมีหน้ามีตาในสังคมจึงถูกวัดด้วยของกิ่นของใช้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการแสวงหาความสุขภายในถูกเพิกเฉยถูกทอดทิ้งเห็นเป็นเรื่องของคนนอกโลกเรื่องของคนที่ไม่มีทางจะได้จึงตำหนิความสุขภายนอกว่าฉาบฉวยแต่ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่มองในแง่มุมกลับ ได้เหมือนกันคือคนที่มัวหลงอยู่แต่ความสุขภายนอกนั้นอาจไม่มีทางจะได้ความสุขภายในก็เป็นได้แต่มีความจริงที่แน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่เคยได้รับความสุขภายนอกมาอย่างโชคโซนนั้นจะไม่กล้าตำหนิความสุขภายนอกอย่างจริงจังเลยทั้งนี้เพราะใจของตนยังกระหยิ่มปรารถนาความสุขเช่นนั้นอยู่ต่อเมื่อได้ผ่านแล้วได้เห็นแล้วอิ่มแล้ว มองเห็นความไร้สาระของมันแล้วจึงกล้าพูดด้วยความจริงใจว่ามันเป็นของสาธานแม้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีประโยชน์พอที่จะลงทุนสร้างบาปสร้างกรรมเพื่อจะแลกมันมาเพื่อประโยชน์เพียงแค่มีชีวิตอยู่รอดนั้นแม้สัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำก็สามารถทำได้มนุษย์ที่มีการศึกษาอบรมดีแล้วจะต้องเห็นความสุขที่สูงกว่านั้นว่าเป็นประโยชน์อันแท้จริง มุ่งสร้างกรรมอันเป็นกุศลเพื่อตนและเพื่อสังคมอันเป็นที่อาศัยของตนไม่ยอมประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาเพราะคนประพฤติล่วงปัญญาเช่นนั้นย่อมจะต้องสร้างกรรมเครื่องทำลายตนเองให้ย่อยยับเหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กกัดกร่อนเหล็กให้ผุพังไปเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระติสระมีเรื่องย่อดังนี้ พระติสสะเป็นชาวเมืองสาวถีคราวหนึ่งจำพรรษาในวิหารชนบทแห่งหนึ่งออกพรรษาแล้วได้ผ้าสาดกเนื้อหยากผืนหนึ่งยาวประมาณ8ปดอกได้เอาไปฝากพี่สาวไว้พี่สาวเห็นว่าเป็นผ้าเนื้อยากไม่เหมาะสมแก่น้องชายของตนจึงตัดผ้านั้นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโครกในครกให้ละเอียดแล้วทอใหม่ให้เนื้อละเอียด ฝ่ายพระติสจัดแจงได้เข็มแล้วนิมนเพื่อนภิกษุด้วยกันให้ประชุมกันเพื่อทำจีวรแล้วไปหาพี่สาวขอผ้าสาดกคืนเพื่อเอาไปทำจีวรพี่สาวนำผ้าสาดยาว9ก้าศอกออกมาให้เนื้อก็ละเอียดพระติสพิจารณาดูแล้วรู้ว่าไม่ใช่ผ้าของตนจึงปฏิเสธไม่ยอมรับผ้านั้นพี่สาวต้องอธิบายให้ฟังว่าพื้นนี้แหละคือผ้าของท่าน เป็นแต่พี่ทำให้ใหม่แล้วอธิบายถึงวิธีทำผ้านเนื้อหยาบให้เป็นเนื้อละเอียดพระติสระจึงยอมรับคืนไปพระภิกษุหนุ่มและสามเณรช่วยกันทำจีวรวันเดียวก็เสร็จฝ่ายพี่สาวได้นำอาหารเครื่องคบฉันไปถวายพระมากมายพระติสะมองดูจีวรแล้วพอใจมากตั้งใจว่าบันรุ่งขึ้นจะห่มพาดไว้ที่สายระเดียง ในราตรีนั่นเองท่านถึงวรณภาพเสียก่อนเพราะสันอาหารมากเกินไปอาหารไม่ย่อยเพราะเหตุที่จิตจดจ่ออยู่ที่จีวรผืนใหม่จึงไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวร น, นั้นพวกพิสุช่วยกันทำชาปนกิจศพของติสสะแล้วปรึกษากันว่าจีวร น, นี้ควรตกแก่สงเพราะพระติสสะไม่มีคีฬานุปถกถือผู้พยาบาลภิษุข้ พวกเราจะแบ่งจีวรกันดังนี้แล้วได้นำจีวร อ, ออกมาเลนได้ยินเสียงนั้นจึงวิ่งร้องไปมาว่าภิกษุพวกนี้แย่งจีวรของเราพระาศาสดาประทับอยู่ในพระคันท ก, กุฏีทรงสดับเสียงของเลนด้วยพระโสดาทัตันเป็นทิพย์รับสั่งให้พระอนนท์ไปบอกภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งแบ่งจีวรพระติสะให้เก็บไว้ก่อนพอครบกาหนดเจดวันเลนนั้นทากาละแล้ว เกิดในวิมานชั้นดุสิตพระาศาสดาจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายแบ่งจีวรของพระติสสะได้ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าเพราะเหตุไรหนอพระาศาสดาจึงให้เก็บจีวรของพระติสสะไว้ถึงเจวันพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุชื่อติสสะนั้นไปเกิดเป็นเลนเพราะความหวงจีวรและตรัสเตือนว่า ภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าตันหานี้เป็นของหยาบเกิดขึ้นภายในของสัตว์แล้วทำให้สัตว์นั้นเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นให้ถึงความพินาศดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กย่อมกัดเหล็กนั้นชั้นใดกรรมของตนเองย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อโทนาไปสู่ทุกขติฉันนั้นมีนัยยะรังพนานามาแล้ว อันนี้ก็เป็นข้อคิดเนี่ยถึงเราคุ้นเคยมากในในิทานเรื่องนี้เนี่ยผู้ที่บําเพ็ญกุศลมานต่อเนื่องกันตั้งนมนานนะนี่มาคล่องอยู่นิดเดียวเท่านั้นเห็นไหมเนี่ต้องไปเป็นเลนอยู่สักเจ็ 7, 7วันนะั้นเป็นชั่วอายุของของสัตว์หรือมแมลงนั่นเนี่ยจงพ้นจากนั้นจึงเลยแต่ท่านก็ไปเสวยบุญของท่านเห็นไหมเนี่ยไปเสวยบุญกรรมเห็นไหมละ่ะที่ตานวุวะ อย่าประมาทว่ากรรมเล็กน้อยว่าเราทํากรรมดีไว้เยอะแล้วโอ้ยนี่เล็กน้อยไม่เป็นไรเนะี่ยเล็กน้อยเนี่ยมันมาขวางอยู่เนี่มาขวางขวางกั้นไว้ก่อนที่จะให้ไปถึงกรรมที่เราทำเราไว้เป็นส่วนที่ดีเป็นสุคตินั่นเนถ้ากรรมที่ดาไปสู่ทุคติมันมาทีหลังมันก็มาขวางทางไว้ก่อนเมันก็ต้องเปเสวยนั้นก่อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งน่าคิดเนี่ยท่านเพงบอกว่าให้รักษาจิตรักษาใจเนี่ย โดยเฉพาะลมหายใจสุดท้ายใกล้จะตายนี้การทำเนียมบ้านเรานี้ในฐานะเป็นชาวพุทธย่อมจะเตือนกันว่าเวลาไปเยี่ยมคนไข้คนป่วยอย่านําเรื่องเก่าเรื่องเศร้าหมองเรื่องอะไรไปเล่าให้ฟังให้นําเรื่องดีๆเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องไปทําบุญที่ไหนทําที่ไหนเนี่ยขณะนั้นให้จิตใจของเขาเบิกบานสื่นชมในบุญกุศลที่ตนได้กระทำเนี่ย ก็จะปิดกั้นอบายเกิดเรื่องเล็กแต่แน่นอยบางทีมันก็มาขวางได้เหมือนกันฉะนั้นท่านว่าอย่าไปเล่าเรื่องเหล่านี้เราจะเริ่มไปทำบุญที่ไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ยให้เพลิดเพลินกับบุญกับกุศลเป็นการส่งคนใกล้จะตายให้ไปดีได้หัวข้อที่4มนทินของมน พระองค์ทรงตัดเป็นพุทธภาษิตว่าอสัตชายมาลามันตาอนุถานมะลาครามะลังวันนัสสะโกสัจชังปมาโทรักขโตมะลังแปลว่ามน์ทั้งหลายมีการไม่ท่องบนเป็นมนุ์ทินเรือนมีความไม่ขยันปัดกวาดเป็นมน์ทินความเกียดคร้านเป็นมนุ์ทินของผิวพันธ์ ความประมาทเป็นมนลถินของผู้รักษามีสนะี่าถาเนี่ยมลในที่นี้รวมเอาศิลปวิทยาการทั้งปวงวิชาอะไรก็ตามที่รู้แล้วจำได้แล้วถ้าไม่หมันท่องบนสาทยายทบทวนหรือฝึกปรือไว้เสมอก็ย่อมจะเละเลือนไปการเรียนวิชาเมื่อเข้าใจหรือจำสิ่งใดได้แล้วถ้าไม่หมันอ่านซ้ำ ไม่ทําให้ติดต่อความชำนาญก็ไม่มีความรู้ที่ขาดความชำนาญย่อมไม่สําเร็จประโยชน์สมบูรณ์กล่าวถึงมนในความหมายที่คนไทยรู้จักยิ่งต้องใช้การสาธยายท่องบนเป็นประจำจึงจะคล่องและขึ้นใจคนที่ถือเรื่องเวทมนต์คาถาบางคนต้องว่ามนทุกครั้งที่ออกจากบ้านบางคนต้องว่าเวลารุ่งอรุณเวลาพระอาทิตตกดิน ถ้าขาดไปก็ไม่สบายใจหรืออาจจะประสบอันตรายอย่างเรื่องนกยุงทองท่องมนทั้งเช้าและเย็นนายพรานพยายามดักเท่าไรก็ไม่ติดแต่พอเขาเอานางนกยุงมาล่อได้ยินเสียงนางนกยุงเข้าลืมท่องมนก็ติดบ่วงของนายพรานในวันนั้นเพราะฉะนั้นการถือมนต้องถือให้ได้จริงจึงจะสำเร็จประโยชน์ วิชาความรู้เป็นเรื่องที่ต้องทำติดต่อและต้องรักษาเหมือนการตีเมืองได้แล้วต้องรักษาไม่รักษาคนอื่นก็มาเอาเสียวิชาความรู้ที่เรียนไว้สูงสูงถ้าไม่ได้ทบทวนรักษานานเข้าก็ค่อยๆหดไปทีละน้อยจนหมดสิน้นทำอะไรไม่ได้ใช้การไม่ได้เสียเวลาที่อุตสาหเรียนตั้งสิบปียี่สิบปีข้อว่าเรือนมีการไม่หมันกวาดเป็นมลทินนั้นอธิบายว่า เมื่อมีบ้านมีเรือนแล้วจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามต้องหมั่นดูแลซ่อมแซมส่วนที่สุดโทมและทําความสะอาดอยู่เสมอความสะอาดเรียบร้อยของบ้านสําคัญกว่าความใหญ่หรือเล็กของบ้านหรือแบบบ้านบ้านที่รกกรุงรังแม้จะสร้างด้วยราคาแพงก็ไม่น่าอยู่สู้บ้านราคาถูกแต่รักษาให้สะอาดเรียบร้อยไม่ได้ความเรียบร้อยของบ้านย่อมกินความถึงการจัดได้เหมาะเจาะ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 แม่บ้านต้องขยันมันปัดกวาดเช็ดถูวางของเป็นระเบียบถ้ามีคนใช้ก็ต้องมันตรวจตราดูแลให้เรียบร้อยอีกชั้นหนึ่งเพราะคนใช้ย่อมจะไม่มีปัญญาพอที่จะทําให้สวยงามชื่นใจสบายตาได้แม่บ้านที่ขยันมีงานบ้านทําอยู่เสมอนอกจากเวลาต้องการพักผ่อนนอกจากที่กล่าวมาแล้วบ้านจะเป็นสวรรค์ก็ต่อเมื่อคนในบ้านเป็นเทพพบุตรเทพธิดา คือมีคุณธรรมดีมีศีลมีความรักใคร่กลมเกลียวกันถ้าคนในบ้านเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมารเป็นยักษ์บ้านก็แปรสภาพเป็นพบของพวกนั้นไปเพราะฉะนั้นนอกจากแต่งบ้านภายนอกแล้วควรจะแต่งเรือนใจของคนในบ้านให้สะอาดอีกด้วยให้สะอาดด้วยน้าคือเมตตากรุณาความเสียสละซึ่งกันและกัน ความมีน้ำใจอันดีการให้กำลังใจคนในครอบครัวเพื่อทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปครอบครัวก็จะมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีความอบอุ่นไม่ว้าเวทำบ้านเรือนให้มีลักษณะเป็นสลิมงคลพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเจริญมั่นคงข้อว่าความเกียดคร้านเป็นมนลถิ่นของผิวพันธุ์อธิบายว่าร่างกายโดยสภาพของมันเป็นสิ่งปฏิกูล มีสิ่งโสโครกไหลออกจากภายในบ้างสิ่งโสโครกจากภายนอกเส้นฝุ่นทุลีจับเกาะบ้างอวัยวะภายนอกเส้นผมเป็นต้นเมื่อไม่ได้ชำระสะสารก็กระด้างเหม็นต้องหมั่นชำระอยู่เสมอจึงจะดูสวยอ่อนนุ่มผิวหนังเล่าก็เป็นที่จับเกาะของฝุ่นภายนอกและเป็นที่รองรับการไหลออกของเหงื่อจากภายในเมื่อไม่อาบน้ําฟอกสบู่เพียงวันเดียวหรือสองวันก็สงปิ่นเหม็น ยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งเหม็นมากเล็บก็เหมือนกันต้องคอยแคะขี้เล็บออกยาวก็ต้องตัดต้องแต่งฟันนั้นก็ต้องแปลงทุกวันทุกวันวันละครั้งหรือสองครั้งหากไม่แปลงไม่ล้างไม่เคี้ยวไม้ชำระฟันเพียงวันเดียวหรือสองวันก็ส่งกลิ่นเหม็นเมื่อเวลาพูดไม่มีใครอยากเข้าใกล้พูดด้วยเวลายิ้มจะเห็นขี้ฟันจับเ ก, กล็ดกังหน้ารังเกียจ ร่างกายนี้ต้องถ่ายของเสียทุกวันทางทวารหนักและทวารเบากล่าวคืออุจจาระและปัสสาวะเมื่อถ่ายแล้วต้องเช็ดหรือล้างให้สะอาดถ้าขี้เกียจไม่เช็ดไม่ล้างก็จะสกระปรกเหม็นหน้าสิสดเสียนเพราะเหตุที่ร่างกายนี้โดยสภาพของมันเป็นของปฏิกูลโสโครดังกล่าวมาแล้วจึงต้องขัดสีของโสโครกออกเป็นประจำความเกียดคร้านจึงเป็นมลทินของผิวพันธ์ ข่อว่าความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษาอธิบายว่าการรักษาทุกอย่างต้องอาศัยความไม่ประมาทเป็นเครื่องรักษาขอให้ท่านลองนึกดูว่าท่านจะรักษาอะไรบ้างเมื่อจะรักษาต้องอาศัยความไม่ประมาททั้งสิ้นการรักษาบ้านเรือนวัวควายเป็ดไก่หรือสุนัขเป็นต้นถ้าไม่ระวังให้ดีหรือประมาทไปวางใจว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร บ้านเรือนอาจจะถูกปล้นวัวควายถูกขโมยหรือไปในที่มีอันตรายไปกินข้าวกล้าหรือผักของผู้อื่นเป็ดไก่อาจถูกขโมยหรือถูกสัตว์ ร, ร้ายกินสุนัขอาจไปกัดคนเป็นอาทิผู้รักษาศีลบาเพ็ญธรรมก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทอย่างมากประมาทเมื่อใดเมื่อนั้นศีลก็ขาดธรรมก็สูญความไม่ประมาทจึงเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งหลาย สมดังที่พระบรมศาสดาตรัสอุปมาว่าเหมือนรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงทำนองเดียวกันความไม่ประมาทสาคัญกว่าทำทั้งหลายเพราะธรรมที่เป็นกุศลทั้งปวงรวมลงในความไม่ประมาทคือมีความไม่ประมาทเป็นมูลคนที่รักกันต้องการจะรักษาความรักให้ยั่งยืนก็ต้องอาศัยความไม่ประมาท คือระวังอยู่เสมอไม่ทำสิ่งใดพูดสิ่งใดให้อีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจเสียใจซ้ำใจเป็นต้นอย่านึกว่าเขารักเราแล้วทำอะไรก็ได้ความอดทนของคนมีขอบเขตเมื่อเขาน้อยใจและซ้ำใจบ่อยๆเข้ามันสะสมมากเข้าอาจจะระเบิดออกมาสักวันหนึ่งต้องแตกกันเพราะฉะนั้นคนที่รักกันก็อย่าประมาทต้องถนอมน้ำใจกันไว้ดีกว่าปล่อยให้แตกก้าว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 การรักษาสุขภาพก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทเช่นไม่บริโภคมากเกินไปไม่ทำงานมากเกินไปไม่ขี้เกียจมากเกินไปไม่ดื่มสุราเมรัยมากเกินไปออกกำลังพอสมควรพักผ่อนนอนหลับตามสมควรแก่ความต้องการของร่างกายเป็นต้นความไม่ประมาทในสุขภาพช่วยรักษาอายุให้ยืนนานส่วนความประมาททำให้อายุสั้นพลันตาย การรักษาชีวิตด้วยความไม่ประมาทเช่นไม่เที่ยวกลางคืนจนดึกดื่นไม่สมาคมกับคนพาลไม่สมรู้ร่วมคิดกับคนทุจริตเป็นต้นรวมความว่าความประมาทเป็นมลทินของการรักษาความไม่ประมาทเป็นความดีหรือคุณสมบัติสาคัญของการรักษาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมองสาวัตถีทรงปรารภ พระโลลุทายีมีเรื่องย่อดังนี้พระอริยสาวกในเมืองสาวัตถีเมื่อฟังธรรมแล้วเดินกลับคุยกันถึงขุนสมบัติของพระอัหรสาวกทั้งสองและความไเระแห่งธรรมของท่านพระโลลุทายีได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าพวกท่านฟังธรรมของพระอรหรสาวกแล้วยังชมกันถึงป่านนี้ถ้าได้ฟังของฉันจะชมสัก์ปานใด สาวบ้านฝังท่านพูดแล้วเข้าใจว่าพระโลลุทายีเป็นพระธรรมกะถึกสำคัญรูปหนึ่งจึงปรารถนานิมนต์เทศสักครั้งในวันธรรมมะสวนาวันหนึ่งพวกอุบาสกจึงนิมนต์พระโลลุทายีขึ้นเทศนาเวลากลางวันหลังเที่ยงพระโลลุทายีก็รับนิมนต์ด้วยดีเมื่อถึงเวลาเทศพระโลลุทายีนั่งบนอาสนะแล้วจับพัดสันอยู่ ไม่เห็นข้อทรรอะไรที่จะกล่าวได้จึงบอกพระกุบาโสดว่าขอสวดสารพัญญาวงเล็บสวดเป็นทํานองสารพัญญะเป็นทํานองสวดวิธีหนึ่งขอให้นิมนต์ภิกษุรูปอื่นเทศเถิดพระกุบาโสดก็อนุโลมตามพระโลลุทธายีก็สวดไม่ได้อีกบอกเขาว่าฉันจะเทศตอนกลางคืนตอนนี้นิมนต์พระรูปอื่นสวดสารพัญญะก่อนเถิดพอถึงเวลากลางคืนพระกุบาโสดก็นิมนต์มาอีกท่านก็เทศไม่ได้ ขอผัดไว้ว่าจะขอเรื่อนไปเทศตอนใกล้รุ่งแต่พอถึงเวลาเช้าจริงก็เทศไม่ได้เพรกุมบาศกเขียนว่าพระเถระนี้โอ้อวดเสียเปล่ายกตนเหนือพระกรสาบกแต่พอเปิดโอกาสให้แสดงก็แสดงไม่ได้จึงส่วนกันไล่พระโลลุทายีลงไปบางคนโกรธจัดจะปาด้วยท่อนไม้และก้อนดินพระโลลุทายีนั้นหนีไปตกลงในหลุมคูดห่วงเล็บอุจจาระ มหาชนและภิกษุสนทนากันถึงเรื่องพระโลลุทายีภาษาสดาเสร็จมาตรัดถามทราบความแล้วทรงแสดงอดีตกรรมของพระโลลุทายีสมัยเป็นสุกรท้าราชสีวงเล็บคือภาษารีบุดคือทารบแต่ราชสีไม่ยอมรบด้วยบอกว่าสุกรไม่สะอาดขนก็เปื้อนแต่ของเน่าเหม็นถ้าสุกรประสงจะชนะราชสีก็จะยอมแพ้ให้ดังนี้แล้วตัดต่อไปว่า พระโลลุทธายีเรียนทำน้อยเหลือเกินและไม่ได้ท่องบนเลยการเรียนปริยัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ท่องบนเป็นมนทิ น, นความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษามีนัยยะดังภารนามาแล้วแต่ตนนี่ก็ล้วนแต่เรื่องมนทินกันทั้งนั้นเลยนี่ก็คงได้ใจความในตัวนี่เป็นแต่ว่าเราก็คงจะจด จ, งจดจำเอาบ้างจดจาเพื่อ เตือนเราเตือนตนเองเนี่ยในแต่ละหัวข้อนั้นก็มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติเนี่ยแม้ในปัจจุบันสมัยเนี่ยถือว่าธรรมะนี้ไม่ล้าสมัยทันสมัยอยู่ทุกการทุกเมื่อหัวข้อที่ห้ามนทินยิ่งกว่ามนทินนี่พระพุทธภาสิทธิยาทุจริตตัง มัดเสรงทั ท, ะทะโตมัลังมะลาเวปาปกาธรร ม, มาอัศมิงโลเกปรัมหิจะัตะโตมะลาม ล, ามลตตังอวิชาปรมังมลังเอตังมัลังปะหันตวานะนิมมะลาโหทะพิขโวแปลว่าความประพฤติชั่วเป็นมณฑินของหญิงความตรหนีเป็นมณฑินของผู้ให้ธรรมอันลามกเป็นมณทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เราจะบอกมนลทินที่ยิ่งกว่ามนลทินทั้งหลายคืออวิชชาเป็นมนลทินอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมนลทินนั้นเสียแล้วเป็นผู้ไม่มีมนลทินเถิดความประพฤติชั่วเป็นมนลทินของหญิงในทีน่นี้ท่านหมายเอาความเป็นชู้ความนอกใจสามีสำหรับหญิงไม่มีความชั่วอะไรที่เลวยิ่งกว่านี้เป็นความชั่วที่ สามีไม่อาจให้อภัยได้อยู่บ้านหลังคารั่วหนึ่งนายอายุติธรรมหนึ่งเพื่อนบ้านชังกันหนึ่งและภรรยานอกใจหนึ่งสอย่างนี้ก่อความเดือดร้อนอยู่เสมอมองในแง่จิตวิทยาครอบครัวภรรยาจัดว่าเป็นขุมกําลังของสามีภรรยาดีรู้จักเกรงและเคารพนับถือสามีทําให้สามีปราบปลื้มใจทํางานได้มากแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่เบื่อหน่ายสามีย่อมต้องการ ยอมรับนับถือของภรรยาได้รับการยกย่องจากภรรยาทำนองเดียวกับที่ภรรยาต้องการความรักความปราณีจากสามีใครจะดูหมิ่นก็ไม่เสียใจเท่าภรรยาของตนดูหมิน่นใครจะยกย่องก็ไม่ดีใจเท่ากับภรรยาของตนยกย่องสามีที่มีความภาคภูมิใจในตนเพราะการยกย่องนับถือของภรรยาเป็นสามีที่มีความสุข อัหนึ่งสามีใดหาเลี้ยงภรรยาถ้าภรรยานอกใจสามีนั้นนอกจากจะได้รับความตำหนิติดเตียนจากชาวบ้านแล้วยังบาปมากอีกด้วยเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตนเองต้องอับอายแล้วญาติพี่น้องพ่อแม่ยังต้องพลอยอับอายด้วยคนดีไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมเป็นขาวติดตัวหญิงนั้นไปตลอดอยังจะต้องไปนรกอีกด้วยการประพฤตินอกใจจึงจัดเป็นมลทินอย่างยิ่งของหญิง ความตระหนี่เป็นมนทินของผู้ให้เมื่อทานจิตตุปบบาทเกิดขึ้นเพื่อการบริจาควัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้อื่นเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมพอมัตเฉระจิตเกิดขึ้น <c oughs> ก็แปลว่ามนทินเกิดขึ้นในใจทําให้สละไม่ได้ท่านจึงสอนว่าเมื่อจะคะเจตนาเกิดขึ้นให้รีบทําเสียทันทีถ้าปล่อยทิ้งไว้ใจอาจกลับได้และน้อมไปในที่ต่ํา หรือน้อมไปในบากได้พึงดูตัวอย่างในเรื่องพรามจูเลกะสาดกในป่าปวัควรรณนาความว่าเขาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสต้องการถวายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้สมกับความเลื่อมใสแต่เขามีผ้าห่มอยู่พื้นเดียวเปลี่ยนกันห่มกับภรรยาพอคิดจะถวายความตณีก็มาดักเสียทุกทีคิดกลับไปกลับมาอยู่จนเกือบรุ่งจึงได้ถวายพระาศาสดาทรง สนับสนุนว่าควรรีบทำความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพราะถ้าทำบุญชา้าจิตย่อมน้อมไปในบาปจิตให้กับจิตไม่ให้ย่อมรบกันอยู่เสมอผัดกันแพ้ผัดกันชนะอย่างใดมีกำลังกว่าอย่างนั้นก็ชนะไปสำหรับผู้ที่จะให้ความตณีเป็นมนทินอย่างแน่นอนเพราะเข้ามาลบการให้เสียบาปทำเป็นมณทินในโลกทั้งสอง บาปทมแปลว่าความชั่วมีผลเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบาปให้ทุกข์ในโลกนี้โดยการถูกจองจำทำโทษการถูกติเตียนความอพยศการถูกตรานหน้าว่าเป็นคนเลวบาปให้ทุกข์ในโลกหน้าโดยการต้องบ่ายหน้าไปนรกหรือเปรตสุรกายหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอันให้ทุกข์ยิ่งกว่าในโลกนี้อีกหลายเท่า อวิชชาเป็นมนลทินอย่างยิ่งมนลทินทั้งหลายมีอวิชชาเป็นรากเหง้าเป็นต้นต่ออวิชชาคือความไม่รู้คือความโง่นั่นเองในชีวิตหนึ่งหนึ่งเราต้องเสียค่าโง่มากมายเกือบตลอดชีวิตการที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดไปก็เพราะอาวิชชาคือไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่รู้ว่าเหตุอย่างนี้จะก่อให้เกิดผลอย่างไรเมื่อทาเหตุไปแล้ว ผลไม่ดีเกิดขึ้นแล้วจึงมานั่งเสียใจภายหลังว่าถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้นคือบาบนทีหลังเสียใจภายหลังในทางธรรมอวิชชาคือความไม่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันหรือไม่รู้จักทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกและทางให้ถึงความดับทุกอวิชชาจะดับไปได้ก็ต่อเมื่ออวิชชาเกิดขึ้นเหมือนแสงสว่าง ความมืดก็หายไปตราบใดที่อวิชายังมีอยู่มนทิน อ, อื่นๆก็เกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าอาวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งพระาศาสดาทรงเตือนว่าเมื่อรู้อย่างนี้ควรละมนฑินทั้งหลายเสียและเป็นผู้ไม่มีมนทินเถิดพระาศาสดาประทับอยู่ที่เวรุวนารามทรงปรารลบุตรผพู้หนึ่งจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ กุลบุตรคนหนึ่งมีภรรยาที่มักประพฤตินอกใจเขาเกิดความละอายจนไม่อยากพบหน้าใครเลิกการบำเพ็ญกุศลเช่นการถวายทานและบำรุงภิกษุสงฆ์ต่อมาอีกหลายวันจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมจึงหายหน้าไปเขากราบทูลเรื่องนักตั้งปวงให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเราเคยกล่าวไว้แล้วว่าสตีทั้งหลายเหมือนแม่น้ำ หลวงเลปเป็นของสาธารนณะเป็นต้นบัณฑิตไม่ควรโกรธสตรีนั้นแต่ท่านจำไม่ได้เพราะพบปกปิดไว้เมื่อบุรุษนั้นทูลถามจึงตัดเล่าให้ฟังโดยชาดกว่าธรรมดาสตรีในโลกเป็นเหมือนแม่น้ำหนุนทางโรงดื่มที่พักและบ่อน้ำเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นรวมความว่าสตรีเป็นของสาธารนณะเหมือนแม่น้าหุนทางเป็นต้นใครจะผูกขาดไว้เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวนั้นยากด้วยที่ว่า เวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นมีความหมายสองนัยยะคือนัยยะที่หนึ่งสตรีไม่ชอบระเบียบไม่ชอบอยู่ในข้อบังคับชอบฝ่าฝืนระเบียบวินัยอีกนัยยะหนึ่งสตรีนั้นในการเสพกามในการประกอบเมถุนทําได้ทุกเวลาฝ่ายบุรุษนั้นประกอบเมถุนในบางเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นที่ได้ทุกเวลาเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเอง พระบรมศาสดาตัดดังนั้นแล้วจึงส่งย้ำว่าความประพฤติ ช, ชั่วเป็นมนทินของหญิงเป็นอาทิมีนัยยะลรืงพรนามาแล้วแต่ต้นอันนี้คงตัดเฉพาะการเนี่ยมีครั้งหนึ่งได้เคยอ่านชาดกเนี่ยพออ่านแล้วโยมฟังบอาทำไมต้องโทษแต่สตรีวะทำไมต้องว่าแต่ผู้หญิง จริงๆมีคำแก้อยู่ในนั้นที่พระองค์ทรงตัดเพราะเนื่องจากว่าภิกษุหลงไหลหลงใหลในสตรีเนี่ยถ้าพระองค์ไปกล่าวคุณสตรีก็จะกลายเป็นเพิ่มกิเลสเนี่ยก็เลยกล่าวโทษอย่างเดียว เ, ยเพื่อให้กิเลสตอนนี้ลดละลงไปเนี่ ย, ยก็เรียกว่าการแสดงธรรมนี่ก็เราจะได้เห็นว่าดูการดูบุคคลเนี่ย บ า, บางบุคคลก็แสดงถ้าแสดงกับผู้ยังจะกล่าวถึงโทษของบุรุษอย่างนี้กลับกันไปกับกันมาเฉพาะบุคคลคนนี้กาลังเศร้าโศกในเรื่องนี้ก็เลยกล่าวถึงสิ่งนี้เพื่อให้เขาเกิดธรรมสังเวชเกิดขึ้นแต่ไหมธรรมะก็มีทุกแง่ทุกมุมแต่เราต้องฟังให้ดีฟังให้ละเอียดเหมือนครูบาอาจารย์บางทีเทศ แต่ละการเนี่ยจะแตกต่างกันเนี่เพราะว่าปัญหาหรือความทุกข์คนนี้ก็ไม่เหมือนกันนี่ถ้ามีปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันหนักๆก็ต้องย้ำแต่เรื่องนั้นเนี่ต้องเอาข้อมูลเรื่องนั้นเนี่ยมาตอกมาย้ำคือเพื่อให้เขาได้ลดละในส่วนนั้นลงเนส่วนที่เขาเป็นทุกข์ถ้าไปสรรเสริญเยินยอ ก็จะกลายเป็นเพิ่มให้กิเลสเขามากขึ้นอันนี้ก็เป็นธรรมบทซึ่งก็เป็นหัวข้อรมประกอบปุคลาธิฐานคือประกอบมิฐานเพื่อเกิดความเข้าใจสำหรับยุคของเรานี่จะว่าไปลราปัญญาไม่มากเหมือนสมัยก่อนถ้าจะพูดธรรมะล้นลวนธรรมธิฐานอย่างเดียว ก็เข้าใจยากเนี่ยถ้ามีข้อประมาณปรมาณขึ้นมาแล้วเออทำให้เห็นชัดเจนขึ้นเนี่ยทานการสอนธรรมจะเห็ว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งท่านจะมีข้อเปรียบเทียบเยอะมีข้อประมาณปรมาณเยอะทําให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเนี่ยจึงเหมาะเหมาะกับยกทีออ่ปัญญาเราไม่มากเหมือนสมัยพุทธกาลนีสมัยพุทธกาลไม่ได้อธิบายเยอะนะ ถ, ถ้าดูตาม คำพีนะบางทีตัดคาถาจบก็บรรลุทำเลยอย่างนี้แสดงว่าเขาเข้าใจได้เร็วมากเนะี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องนี้เหมือนคนที่มีความรู้มีการศึกษามีประสบการณ์เยอะเนะี่ยฟังหัวข้อนิดเดียวก็เข้าใจนะเหมือนภาษารีบุตรท่านฟังคาถาจากพระอาจาชิแค่คาถาเดียวเท่านั้นเองเนี่ยเข้าใจได้ยังไงถ้าเราก็งงไม่งนันเนาะ เพียงแต่ว่าทมทั้งหลายเกิดจากเหตุจะดับก็เพราะเหตุนี่บอกว่าพอแล้วแค่นี้เข้าใจแล้วว่าง่ายเร็วจริงๆนี่นี่คนที่เข้าใจง่ายก็เป็นลักษณะนั้นนะพูดประโยคสองประโยคนี่หรือคำสองคำที่กินใจนก็เพียงพอไปต่อธรรมะได้หมดทุกอย่างเนี่ยนี่บนรองภาชาท่านเคยท่านชอบพูดได้หลายแง่ได้หลายมุมไงแต่ว่าพูดสั้นๆคนก็เอาไปคิด อย่างที่ก็ถามว่าปฏิบัติทำไมปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรเนี่ยถ้าเป็นเราเราก็จะหาคำอธิบายให้เขาฟังเนี่ยท่านกับไม่อธิบายอย่างนั้นท่านถามว่าโยมกินข้าวทำไมโยมกินข้าวอย่างไรโยมกินข้าวแล้วเป็นอย่างไรเห็นไหมคำตอบแค่นี้แหละ <laughs> เข้าใจปุ๊บเลยนะย ทำไมถ้าเห็นข่าไปคิดเอาก็ได้ไปภาวนาวก็ได้จะเห็นได้ทุกแง่ทุกมุมเลยเอา้าวก็มันหิวหิวมันก็คืออาการทุกข์ใช่ไหมคนทุกข์ก็ต้องสแสวงหาหาข้าวมากินกินก็จะไปถามทำไมกินอะไหยิบเข้าปากไม่ใช่เลยไม่ต้องถามใครหยิบใส่หูก็มไม่ถูกปากกันก็รู้ไม่ไม่ต้องอธิบายมากเลยนั่นเป็นวิธีการของท่านนะกินอิ่มก็ไม่ต้องถามอิ่มแล้ว คุณปาฉันอิ่มไหมเดีย๋ยจะว่ า, างนันเลยใคจะไปตอบได้เนาะเนี่ยมันก็เป็นปัจจตังอยู่แล้วเนะี่ยนั่นเป็นวิธีตอบที่สรุปรวบยอดเร็วมากเลยนี่แล้วฝรั่งก็ถามแล้วตอบพักเลยนี่นั่นนี่ว่าท่านแตกสารในธรรมใช้ภาษาง่ายๆเนี่ยให้คนนั้นเอาไปคิดจนตายเลยคิดจนตายเนี่ยเหมือนแตนแก่ทิฏฐิของพ่อนูผีแค่ท่านถามย้อนว่า แล้วพอหนูเคยทําผิดไหมก็เคยก่อนนั่นแหละนี่ยถ้าเคยทําผิดความคิดของของโยมอาจจะผิดก็ได้เอาไปคิดก็ได้เท่านี้แหละแต่ก่อนมันเชื่อมั่นในความคิดของตนเองนี่ไม่ฟังใครเนี่ยท่านก็เลยถามว่าเราทําถูกตลอดเลยแล้วทำทำผิดมีบ้างไหมมีก็บอกแล้วทําไมทําผิดแหละก็เรารู้ว่าทำไมทําผิดแหละ นเอาไปคิดนะท่านบอกเอาไปคิดเนี่ยนี่ฉะนั้นความคิดของเราอนนี้มันก็ไม่ถูกเสมอไปเอาไปคิดให้ดีใช่ไหมเปรียบทวนให้ดีเนี่ยอย่าไปเชื่อความคิดของตนเองว่ามันถูกเนี่ยเท่านั้นแหละเป็นการแก้ให้เขาคิดได้ตลอดปีตลอดชาติเลยคิดโอ้ยคิดยังไงก็มันจริงหมดเลยทีนี้ทำไมเราต้องไปเชื่อความคิดของเราเนี่ยเราคิดว่าเราเก่ง นี่พอเราไปพูดกับใครถามกับใครเหมือนที่เราฟังมาเมื่อกี้นี้คนที่เข้ารู้เขาไม่สู้หรอกเนี่ยเนี่ยคนฉลาดจริงๆเขาไม่สู้หรอกเนี่ยก็เหมือนกับสุกรไปท้าราชสีอย่างที่เมื่อกี้นี้เนี่ยแต่ว่าเหมือนภาษาลีบุตรนะฮะเนี่ยว่าภาษาลีบุตรเป็นราชสีทำไมก่อนชาติก่อนไปท้าทำไมว่าโอ้ยเราไม่สู้หรอกที่ไม่สู้ไม่ใช่ว่าไม่มีกําลังจะสู้นะ เพราะสัญชาติยานชั้นชาติของเธอเป็นสัตว์ที่สกครกสันไม่อยากแตะด้วยเนี่ยถ้าเธอต้องการชนะก็ฉันก็จะยอมแพ้ให้เธอชนะเถ่ะันไม่สู้เธอหรอกนั่นลักษณะของบัณฑิตน่นจึงเป็นข้อคิดในกะรืองทำดังนั้นธร ร, ธรรมบทนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นข้อประมาุประใม่ ที่ให้เกิดความเข้าใจเหมือนชาดกเนี่ยแม้จะเป็นส่วนอัตกรถกาบ้างมไม่มีประโยชน์มากนเนี่ยแต่วันตะใครที่จะไปปฏิเสธเนี่ยไปปฏิเสธว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัดไว้ก็ไม่ไม่ได้เนี่ยคำที่พระองค์ทรงตัดก็คือคำหลักๆที่เป็นพาสิทธ์มันก็ดีนะั่นมีครูบาอาจารย์พระอัตกระสาอาจารย์ ท, าท่านอธิบายให้เกิดความเข้าใจในอีกเนี่ย เหมือนสมัยนี้แหละนี่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเรียนภาษาที่แปลภาษาไทยให้เราได้อ่า น, นก็มีท่านก็มีคุณมากเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะท่านแปลออกมาให้อ่านได้นี่ก็อ่าก็ดีแล้วได้ประโยชน์จากท่านเหมือนกันอ้ยังธรรมกถาสทาทยสมันเตหิสันละเคตาปะาติ